สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิริยิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตเปโูตอนที่591เรื่องเงื่อนไขที่ควรคำหนึง่งถ้าอยากให้พระวิญ ญ, ญาณตรัสกับเราเสมอพี่น้องครับมีนักเทศท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นนักกิจาการและใ น, นขณะเดียวกันท่านก็เป็นนักเขียนท่านมีชื่อว่าดารลัสวิลลาร์ ท่านเขียนไว้เป็นบทความที่น่าสนใจมากครับเกี่ยวกับสิ่งที่ควรคำนึงถ้าหากว่าเราอยากจะให้พระเจ้าตรัสกับเราอย่างสม่ำเสมอนะครับซึ่งผมใช้คำว่าเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขนี้มีสิบประการด้วยกันครับสิบประการนี้เป็นสิ่งที่เราควรคำนึงถึงอย่างยิ่งและเราควรจะต้องฝึกให้เป็นนิสัยเป็นท่าทีของเราในการที่จะเตรียมตัวรับการตรัสของพระเจ้าการตรัสของพระวิญญาณ อย่างสม่ำเสมอในชีวิตของเราประการแรกครับก็คือเราจะต้องมีความต้องการที่จะมีสัมภิทธรรมกับพระเจ้าพี่น้องครับหลายวันที่แล้วผมได้พูดถึงเรื่องของความสัมภิทธรรมและความสัมพันธ์นะครับความสัมภิทธรรมหรือการสัมภิทธรรมที่เรเรียกว่าเฟลโลชิพกับความสัมพันธ์ที่เรียกว่ า, วารีเลชั่นชิพต่างกันยังไงครับแท้จริงแล้วมันมีความใกล้เคียงกันมาก นะครับผมอยากยกตัวอย่างครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกนะครับจะเป็นความสัมพันธ์นั้นตลอดไปแต่สามัคคีธรรมระหว่างพ่อกับลูกนะครับจะห่างเหินกันจะใกล้ชิดกันก็ขึ้นกับว่าลูกเชื่อฟังคุณพ่อมากน้อยแค่ไหนหรือคุณพ่อนั้นได้พูดกับลูกมากน้อยแค่ไหนแต่ลูกก็ฟังและตอบสนองต่อ ก, กับคุณพ่อมากน้อยแค่ไหนนี่คือสามัคคีธรรมครับ บางครั้งทีเดียวเราเห็นนะครับว่าในพระบรมทิได้พูดถึงเรื่องของบุตรน้อยหลงหายความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกนะครับพูดง่ายว่าเป็นความสัมพันธ์แบบเลือดเนื้อเชื้อไขเป็นสายเลือดนะครับตัดก็ไม่ขาดเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นั้นไม่ได้ถูกกระทบกระเทือนมากแต่สามัคคีธรรมต่างหากที่ถูกกระทบกระเทือนนะครับเพราะฉะนั้นให้เรามั่นใจตรงนี้ครับว่าความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้านะครับอย่างไงก็ตามไม่มีอะไรที่ทําให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้ แต่ในเรื่องของสามัคคีธรธรมนั้นเราอาจจะห่างเหินพระเจ้าเราอาจจะไม่เชื่อฟังพระเจ้าเท่าที่ควรเราอาจจะมีอุปสรรคบางสิ่งบางอย่างขวางกั้นระหว่างเรากับพระเจ้านี่ครับคือสิ่งที่เป็นประการแรกที่เราจะต้องคานึงครับว่าเป็นความต้องการที่จะมีสามาัคคีธรรมกับพระเจ้านะครับเราต้องมีความต้องการนี้ก่อนประการที่สองครับก็คือเราจะต้องตรวจสอบแรงจูงใจของเรานะครับในการอยากได้ยินเสียงของพระเจ้านั้นเรามีแรงจูงใจอะไร เรามีแรงจูงใจที่จะพัฒนาชีวิตของเราเรามีแรงจูงใจที่ผิดหรือถูกนะครับหรือเราอาจจะมีแรงจูงใจที่อาจจะไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ก็เป็นไปได้เพื่อที่เราจะควบคุมครอบครองคนอื่นเพื่อที่เราอยจะชี้นิ้วเพื่อที่เราจะบงการคนอื่นอันนี้เป็นท่าทีที่ไม่ถูกต้องพระเจ้าก็จะไม่ตัดพี่น้องครับให้เราตรวจสอบแรงจูงใจที่เราอยากจะได้ยินเสียงของพระเจ้าประการที่สามครับเรื่องเงื่อนไขที่สามนั่นก็คือว่าการตัดของพระเจ้านั้น นะครับเราจะต้องยอมให้พระเจ้าปรับแต่งชีวิตของเราที่จะยอมให้การตัดของพระเจ้านั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเป้าหมายที่เรามีกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากและเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดด้วยครับเพราะว่าคือให้เราตั้งเป้าหมายนะครับให้เรายอมรับเป้าหมายที่พระเจ้าตั้งกับเราให้เรายอมรับน้ำพระทัยของพระเจ้าท่าทีตรงนี้ครับเป็นท่าทีที่สําคัญนะครับพระเจ้าจะตรัดเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพัฒนาชีวิตของเราเป็นเงื่อนไขที่สามครับ เงื่อนไขที่สีนะครับให้เราถ่อมใจครับจงถ่อมใจและยอมเชื่อฟังพร้อมที่จะทําตามเสมอเป็นะครับประหัวข้อค่ายในค่ายของหลายหลายค่ายของหลายๆโบสถ์นะครับโดยเฉพาอย่างยิ่งค่ายของที่จะพัฒนาในปีนี้ก็คือ trust and obey เชื่อและฟังทำพี่น้องครับการตรัสของพระเจ้านั้นจะมาถึงคนที่ถ่อมใจครับคนที่พร้อมที่เชื่อฟังพร้อมที่ทําตามเสมอ ประการที่ห้าครับหรือเงื่อนไขที่ห้าที่ควรคานึงถึถงถ้าหากว่าเราอยากจะให้พระเจ้าตรัดกับเราอย่างสม่ําเสมอนะครับอันที่ห้าก็คือว่าอย่ามีท่าทีกดดันครับอย่ามีท่าทีกดดันหรือบีบบังคับพระเจ้าที่จะต้องบอกเราในเรื่องนี้เรื่องนั้นนะครับมันไม่ยังเป็นที่พระเจ้าจะบอกเราแต่พระเจ้าจะบอกเราตามที่ชอบพระิถยของพระองค์ตามความต้องการตามความปรารถนาของพระองค์ต่างหากนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับและอย่ามีท่าทีกดดันพระเจ้า นะครับอย่ามีท่าทีบีบบังคับพระเจ้าจงยอมฟังพระเจ้าและจงถ่อมใจนะครับให้พระเจ้าตรัดในสิ่งที่โปร่งตรัสกับโปร่งปรานาที่เจตัดและบอกกับเรา <c oughs> พี่น้องครับเราต้องดูว่าสิ่งที่เราต้องคํานึงถึงก็คือว่าเรารักนะครับตัวเรานะครับพระเจ้ารักเราเรารักตัวเรานะครับก็อาจจะรักไม่ถูกท้องไม่ถูกต้องไม่ถูกทาง แต่การที่พระเจ้ารักเรานั้นย่อมถูกต้องและถูกทางเสมอเพราะฉะนั้นผู้ที่รักเรามากกว่าที่เรารักตัวเองนั้นก็คือพระ อ, องค์พระผู้เป็นเจ้าครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องอย่ามีท่าทีกดดันที่ต้องบอกให้พระเจ้าทำตามหรือบอกเราตามที่เราอยากจะฟังประการที่หกครับเราจะต้องตระหนักว่าพระเจ้าสามารถตรัอะไรกับเราก็ได้ในหลายๆวิธีในหลายๆทางนะครับ เมื่อวานนี้ได้พูดถึงแปดวิธีนะครับในการที่พระเจ้าจะตรัสกับเราพี่น้องลองถอยกลับไปฟังนะครับเราจะต้องตระหนักว่าพระเจ้าสามารถตรัสกับเราได้ในหลายๆายวิธีในหลายๆทางนะครับในการไปค่ายอยู่ในค่ายนะครับเราก็คงจะรู้ว่าพระเจ้าตรัสผ่านทางนักเทศผ่านทางผู้เทศนาผ่านทางวิทยากรหรือบางครั้งพระเจ้าตรัสผ่านที่เลี้ยงของเราในกลุ่มแคร์พระเจ้าตรัสผ่านกลุ่มสัมมคีธรรมต่างๆพระเจ้าตรัสผ่าน ชันเรีวีครูแลวีสอนพระเจ้าตรัสผ่านบางครั้งลูกของเราพูดบางสิ่งบางอย่างและเรารู้ว่านี่คือพระเจ้าตรัสผ่านลูกของเราแล้วเป็นนครับประการต่อไปครับประการที่เจ็ดครับให้เราที่จะอยู่ในเงื่อนไขที่ควรคํานึงถึงก็คือว่าเราจะต้องชําระนะครับจิตใจของเราเราทําชําระตัวของเรานะครับชีวิตของเรานะวิญญาณติดของเราให้สะอาดกับให้บริสุทธิ์นะครับด้วยการสารภาพบาป ด้วยการอธิษฐานสัมภาบบาปขอการชำระที่มาจากพระหฤทัยขององค์พระเยซูเจ้าที่หลังไหลบนไม้กัญเขนั้นให้เราบริสุทธิ์เพื่อที่จะไม่มีสิ่งที่ขวางกั้นระหว่างเรากับพระเจ้าและพระสุริสุรเสียงการตัดของพระองค์ก็จะมาถึงเราอย่างสม่ําเสมอแน่นอนเพราะฉะนั้นการมีท่าทีกับใจใหม่อย่างสม่ําเสมอครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากประการต่อไปครับประการที่แปดครับให้เราอธิษฐานขอการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ เมื่อเราอา่านพระเจนะของพระเจ้าควบคู่กันเสมอพี่น้องครับการที่เราอ่านพระเจนะของพระเจ้านั้นนั่นคือเป็นการเปิดโอกาสให้พระเจ้าจัดกับเราอย่างสม่ำเสมอครับเมื่อเรายิ่งอ่านพระเจนะของพระเจ้ามากเท่าไหร่เมื่อยิ่งใช้เวลากับพระเจนะของพระเจ้ามากเท่าไหร่พระคำของพระเจ้านั้นก็จะนํามาซึ่งการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์และนํามาซึ่งการทรงตรัสของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราได้นะครับให้เราอธิษฐานให้เราอธิษฐานขอการทรงนําของพระเจ้าการทรงนําของ พระวิญญาณบริสุดเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ทุกครั้งประการที่เก้าครับเราจะต้องแยกแยะครับขอพระเจ้าได้ประทานของประทานแห่งการสังเกตวิญญาณครับการมีของประทานหรือรู้จักแยกแยะนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าเราจะสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือมาจากตัวเองอะไรคือมาจากมารซาตานและอะไรคือมาจากพระเจ้าเพียงครับที่มาของสิ่งต่างนะครับในเรื่องของในเรื่องราวฝ่ายวิญญาณนั้นมีอยู่สามแหล่งด้วยกันครับ แหล่งแรกก็คือมาจากมารซาตานแหล่งที่สองมาจากตัวเราของเราเองนะครับแหล่งที่สา ม, มาจากพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะาได้ยินเสียงอะไรก็แล้วแต่นะครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดนะครับให้เราที่จะมีของประทานแห่งการสังเกตวิญญาณของประทานแห่งการแยกแยะภาษังเกตษใช้ว่า discernment spirit นะครับ discernment spirit นั่นหมายความว่าเราจะต้องมีของประทานแห่งการแยกแยะสังเกตวิญญาณครับ ประการสุดท้ายครับให้เราตั้งเวลาเฉพาะครับในการที่เราจะต้องตั้งเวลาเฉพาะนั้นหมายความว่าชีวิตของคนที่จะได้ได้ยินเสียงของพระเจ้าอย่างสม่ําเสมอนั้นก็คือการมีวินัยการมีวินัยนั่นเองนะครับดิไซเพลต้องมีดิสซิปินครับเพราะฉะนั้นการที่ดิไซเพลนั้นจะรับพระชนะของพระเจ้าทุกวันทุกวันทุกวันจะได้ยินเสียงพระเจ้าตรัสทุกวันทุกวันจะได้ยินอย่างสม่ําเสมออย่างเฉพาะเจาะจง นะครับเราจะต้องมีดิสซ и п ลินดิส цип ลินในการเข้าเฝ้าพระเจ้าดิส цип ลินในการที่จะรักษาชีวิตของเราให้บริสุทธิ์ดิส цип ลินในการที่เหบปฏิบัตินะครับตามน้ำมัตไถ่ของพระเจ้าอย่างสม่าเสมอและดิสซ и п ลินในความพร้อมกับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าทําตัวของเรานะครับให้พร้อมงายชีวิตของเราให้รับพระพรนะครับพระพร น, นั้นหลั่งลงมาจากขั้วฟ้าจากสวรรค์ เราต้องหงายชามของเราครับในการที่หลได พ, อพอรกผ่เพราะฉะนั้นสิบเรื่องนี้นะครับเป็นสิบเงื่อนไขที่ควรจะคํานึงถึง <c oughs> ผมขออนุญาตทบทวนอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ประการที่หนึ่งก็คือว่าเราจะต้องมีความต้องการครับที่จะสามาสัคคีธรรมกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสม่าเสมอประการที่สองก็คือว่าเราต้องตรวจสอบแรงจูงใจที่เราอยากจะได้ยินเสียงของพระเจ้าประการที่สามก็คือว่าเราจะต้องตั้งนะครับ จุดประสงค์งเป้าหมายชีวิตของเราว่าการตรัสของพระเจ้านั้นจะปรับแตง่งจะให้การตรัสของพระเจ้านั้นปรับแต่งชีวิตของเราครับพัฒนาชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราประการที่สี่ก็คือว่าเราจะต้องมีท่าทีแห่งการถ่อมใจครับจงถ่อมใจยอมเชื่อฟังครับพร้อมที่จะทําตามเสมอประการที่ห้าก็คือว่าอย่ามีท่าทีกดดันบีบบังคับพระเจ้าครับให้ตรัสในสิ่งที่เราอยากฟังแต่ให้พระเจ้าตรัสในสิ่งที่เป็น นามัสไทยของพระเจ้าเป็นความอาถรรพ์ของพระองค์ประการที่หกครับให้เราจะหนักว่าพระเจ้าสามารถตรัสกับเราได้ในหลายๆวิธีในหลายๆลาทางนะครับอย่างน้อยแปดทางครับประการที่เจ็ดครับเราจะต้องชำระจิตใจของเรานะครับรักษาชีวิตของเราให้บริสุทธิ์ด้วยการสารภาพบาปอย่างสม่ำเสมอนะครับขอพระเจ้ายกโทษให้อภัยชีวิตของเราประการที่แปดครับเราจะต้องอธิษฐานขอการทรงนำของพระมิยบริสุทธิ์ แต่โดยพระวญญาณเป็นสุดนั่นเองเมื่อเราอ่านพระเจ้นะของพระเจ้าเราก็จะได้ยินเสียงของพระองค์ประการที่เก้าครับขอพระเจ้าได้ประทานของบประทานนะครับฝ่ายวิญ ญ, ญาณแห่งการแยกแยะแห่งการสังเกตวิญญาณครับเพื่อที่เราจะรู้ว่าเสียงไหนมาจากตัวเองเสียงไหนมาจากมารซาตานและเสียงไหนมาจากพระเจ้าประการที่สิบครับให้เราตั้งเวลาเฉพาะมีวิัยในการเข้าพบพระเจ้าอย่างสม่ําเสมอเพื่อที่ชีวิตของเรานั้น จะได้ยินเสียงของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอชีวิตของเรานั้นก็จะเป็นพระพร น, นะครับไปสู่ผู้อื่นอีกมากมายและจะทำให้วิถีชีวิตของเรานั้นราบรื่นนะครับอเมน